ใช่แม่โคเนี่ยเวลากินหญ้าไปเนี่ยลืมลูกไหมไม่ลืมฉันใดพระพิสูจน์เหล่านี้ถึงท่านจะทำงานอย่างอื่นอยู่ก็ตามแต่ใจของท่านก็น้อมไปในอาิศีลสิกขาน้อมไปในอาิจิตสิกขาน้อมไปในอาิปัญญาสิกขาน้อมศีลให้เจริญยิ่งขึ้นน้ม ส, สมาธิแล้วก็น้อมปัญญาให้เจริญยิ่งขึ้นอริยสาวกย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดปกติธรรมดาของเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นนี้เป็นอยางที่ห้าเป็นอริยเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนของพระอริยสาวกบรรลุแล้วไม่ทั่วไปกับปุถุชนนะปุถุชนนี้แสดงว่าไม่ค่อยเพ่งเล็งในสิกขาเลยโว้ยปล่อยปะละเลยเนี่ยนะปล่อยปะละเลยน ะ, ยะยนะไม่ใช่เล็มไปคิดถึงศีลไปเนี่ยนะ ก, ก็อย่างที่จริงอ่ะนะก็มันก็ควรเป็นอย่างงี้จริงๆอ่ะนะทำจะทำงานอย่างอื่นประกอบอาชีพอย่างอื่นใจก็ต้องเพ่งเล็งไปในอธิศีนอธิ จ, จิตและวอธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะก็อย่างว่าเราฝ่ายเรื่องไหนมันก็จะได้เรื่องนั้นใช่ไฝ่ายเรื่องไหนสนใจเรื่องไหนเอาใจใส่ในสิ่นในสงใดก็ในที่สุดใจของเราก็น้อมไปเป็นเช่นนั้นเพรา ะ, ะอะไรเป็นสิ่งที่เราควรฝักใยเสาะหาสะแสวงหาควรที่จะเพ่งเล็งเลยเนี่ยก็คือ อธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาเนี่ยนะทีนี้ข้อที่6เนี่ยนะยานที่6ของพาริยะเนี่ยนะภิกษูทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยะสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยภลระใดพะระคือกำลังเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยพะระคือกำลังเช่นนั้นภิกษูทั้งหลาย ก็บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือพระอริยะเนี่ยนะประกอบด้วยภะระอย่างไรมีกําลังอย่างไรพิสูจน์ทางหลายภะระนี้ของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือพระอริยสาวกนั้นน่ะเมื่อธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอันบัณฑิตแสดงอยู่คือเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งเอาธรรมวินัยของพระตถาคตมาประกาศ ทำให้มีประโยชน์รวบรวมเอาไว้ในจิตกําหนดไว้ในจิตทั้งปวงแล้วเงี่ยโสดลงฟังธรรมประมวลจิตตั้งจิตเพื่อให้รับประโยชน์แล้วฟังธรรมไม่ใช่ไม่เพ่งโทษผู้แสดงไม่เพ่งโทษเนื้อหาไม่เพ่งโทษตนไม่เรื่องพวกนี้ไม่เรื่องมากนะจิตตั้งจิตกําหนดในประโยชน์แล้วน้อมเพื่อให้ทำทั้งหลายเหล่านี้จเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยนะอริยสาวกรู้ชัดอย่างนี้ว่า บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยภะระคือกําลังเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยภะระคือกําลังเช่นนั้นนี้ยานที่หเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันอริยะสาวกนั้นบรรลุแล้วเนี่ยนะก็บรรลุอริยสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่เรียกว่าน้อมฝักใยในการฟังธรรมในอัถกถาหน้า4ี่สามสเนี่ยนะกล่าวว่า ถ้าอริยะสาวกทั้งหลายเป็นผู้รักการฟังธรรมนะรักรักฟังธรรมเนี่ยรักยังไงรักเท่ากับมูลิธทิรักเท่ากับรักธรรมไหมรักธรรมอะนะไม่รู้ว่าคนผู้รักธรรมแน่นอนนะกันอดับแรกเรียกว่ารักการฟังธรรมเมื่อจะไปฟังธรรมก็ไม่นั่งหลับฟังนะนะเนี่ยเขบอกว่าคุณสมบัติก็นั่งหลับมีไหมเนี่ยโดยท่านั่งหลับอย่ามาหลอกกันเลยว่ารักธรรมนะไม่เชื่อหรอก สองเวลานั่งฟังธรรมแล้วก็สนทนากับเพื่อนอยู่ไหมทุระสําคัญเกิดขึ้นทันทีเลยเนี่ยนะไอตอนก่อนฟังธรรมไม่มีธุระนั่งเงียบกันเนี่ยนะพอเริ่มฟังธรรมก็เริ่มมีทุระเริ่มปรึกษาหารือกันแล้วเนี่ยนะบอกโอ้อะไรจะปานน้าเนี่ยนะแล้วก็ฟุง้งซ่านคิดไปเรื่อยเรื่องนั้นที่เรื่องนั้นนิดเรื่องนี้หน่อยเนี่ย น, ะนึก ธุระได้ตอนนั้นพอดีเลยนะมีเรื่องสะดวนตั้งหลายเรื่องอยู่ในใจต้องรีบทำให้เสร็จเนี่ยนะแต่พอทําไม่ฟังธรรมก็ไม่เหมียนมีอะไรต้องรีบเลยนะพอเริ่มฟังธรรมปั๊บก็โอ้โหทำเป็นรอบครอบขึ้นมาทันทีเลยนะเหมือนรอบครอบเหมือนอ ม, มันจริงเถอะไม่จริงนะพอเลิกฟังธรรมปั๊บก็หมดทุระเหมือนกันเนี่ยนะตรงนี้มันยุ่งมากเลยสงสารแต่คนแสดงนี่แหลนะก็บอกว่าพระรยาสาวกเนี่ยเป็นผู้ที่รักการฟังธรรมเนี่ยนะ เมื่อจะไปฟังก็ไม่นั่งหลับไม่สนทนาแล้วก็ไม่มีจิตฟุ้งซ่านในการฟังโดยที่แท้ท่านเป็นผู้ไม่อิ่มในการฟังธรรมเหมือนบริโภคน้าอมตะน้ำอมฤตเนี่ยนะฟังจนถึงรุ่นอรุณรุ่งอรุณในการฟังธรรมแล้วถ้ายังมีการแสดงธรรมอยู่ก็ฟังไม่เลิกไม่ราฟังไม่เบื่อไม่หน่ายฟังไม่อิ่มเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะรักในการฟังธรรมนนะก็คือคือเขาฟังแล้วเนี่ยนะอย่างสมมติว่า ถ้าเราอย่างคนที่ทํางานถามรุ่มถามค่าทํามันแล้ววันเล่าไม่เลิกไม่ลาเนี่ยถามว่าทําไมเขาถึงขยันขนาดนั้นเขาเห็นผลกําไรของการงานอ น, นั้นงานนี้ได้เท่านั้นงานนี้ได้เท่านั้นตีค่าชั่วโมงแล้วชั่วโมงงานของเราเนี่ยชั่วโมงแล้วถ้าเป็นคิดแบบฝรัง่งโอ้ชั่วโมงหนึ่งหลายพันหลายพันเหรียญเนี่ยนะโอ้แต่และชั่วโมงแต่และ ว, วนนันถ้าทำทั้งปีเนี่ย จำนวณตัวเลขออกมาแล้วปีหนึ่งกี่สิบล้านเหรียญก็วางกันไปบางทีขยันทําแทบตายเนี่ยนะบางทีเขาทำตายเลยก็มีถามว่าทำไมเพราะมันเห็นกําไรเนี่ยนะชันใดพารยาสาวกที่เขาฟังทำเนี่ยเขาเหมือนเขาเห็นกําไรแล้วงานเนี่ยศรัทธาเ้าจะเพิ่มขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้งานนี้ฟังปั๊บศีลของเขาจะเจริญขึ้นเท่านี้เท่านี้เท่านี้ฟังปั๊บรู้เลยว่านี่ฮีริโอตตะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่านี้ฟังแล้วสุตะ นัยยะต่างๆเพิ่มขึ้นจาค่าเพิ่มขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นฟังแล้วสติปทานเพิ่มขึ้นสัมมารประธานอิธิบาตอินทรียีพระละโพชงองค์มรรคเพิ่มขึ้นฟังแล้วแหมน้อมไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานดูถ้าถ้าอย่างเี้ยบรรลุได้อย่างแน่นอนในคนระดับสูงคือเขาเห็นผลกำไรของของการ ของการฟังเนี่ยนะมังเขาก็เลยรักการฟังธรรมและอย่างหนึ่งที่เข้าบรรลุเป็นพระอริยะได้ก็เพราะการฟังธรรมเพราะการฟังธรรมก็ยังเป็นสะพานเชื่อมไปหาการตรัสรู้อย่างอื่นอย่างอื่นก็เลยมีใจรักที่ในการฟังธรรมเพราะพระอริยะสาวกทั้งหลายฝักใฝ่ในการฟังธรรมฉันใดตัวเองอเป็นอย่างนั้นไหมสํารวจดูบอกใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีใจด้วยนะนั่นะนะ ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเลยตรงกันข้ามเลยก็กรร ม, มะสะโกมหิกรร ม, มทายาโทรกรร ม, มโยนิสัตว์ทั้งหลายมาด้วยกรรมของตนเขาก็ไปตามกรรมของเขานั่นแหละเห็นไหนะเราคงไม่ไปเป็นแฝดกันหรอกมัง้งนะพิสูจน์ทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยาสาวกย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่า บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละคือกำลังเช่นใดเราเองก็ประกอบด้วยพละคือกำลังเช่นนั้นพิสูจทั้งหลายก็บุคคลถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละอย่างไรภิสูจทั้งหลายพละนี้ของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคืออริยะสาวกเมื่อธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอันบันณฑิตแสดงอยู่หรือบัณฑิตแสดงอยู่ซึ่งธรรมวินัยอัน พ, พระตถาคตประกาศแล้วย่อมได้ความรู้อัฏฐ ฟังแล้วก็เข้าใจเนี่ยนะคือคือไม่มีชั่วโมงฟังทำชั่วโมงไหนฟังไม่รู้เรื่องไม่มีเลยคืาเรว่ารู้ทุกคำเนี่ยนะไม่ไม่ไมสงสยัยไม่อะไรทุกคำเนี่ยนะรู้เหตุรู้ผลรู้ทุกรู้สมุทยัยรู้นิโรธรู้มรรคเนี่ยนะ ได้ความรู้พันจึงมีปีติปราโมทที่ประกอบด้วยกุศลธรรมเนี่ยนะฟังแล้วก็มีปีติฟังแล้วก็ปีติเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ได้ยิ่งฟังยิ่งแห้งยิ่งฟังยิ่งแรงเหมือนเดินเมษาเนี่ยนะก็ไม่ไหวแล้วเมษาฝนก็ไม่ตกแดดก็ออกเปรี้ยงปร้างแล้วมีธุระต้องพาแดดนะอะไรเงี้ยนะโอ้ทุกแพ้เนี่ยนะนะไม่ใช่เจตใจแห้งแรงแบบนั้นเนี่ยนะ ก็คือจิตใจเปลื่มปีติไปในกุศลธรรมดีใจที่เข้าใจอัดเข้าใจธรรมมีความปราโมดมีความปราบปลื้มในกุศลธรรมอริยาสาวกนั้นรู้ชาติอย่างนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยภะระเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยภะละเช่นนั้นนี้ญาณะที่เจดเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุตุชนอันพระอริยาสาวกนั้นบรรลุแล้วเนี่ยนะ ทีนี้ภิกษูทั้งหลายธรรมดาอันอริยะสาวกผู้ประกอบด้วยองค์7ประการประกอบด้วยองค์ก็คือโสดอะไรองค์ของโสดาปฏิมาคหรือองค์ของพระโสดาบันเนี่ยนะองค์ของผู้สําเร็จโสดาบันแล้วอีกในหนึ่งถ้าเป็นทั่วๆั่วไปนะถ้าเป็นพระโสดาบันเป็นยังไงถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ย ก็อะไรมีศรัทธาเลื่อมใสยอย่างตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้ามีศรัทธาเลื่อมใสตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วก็อันที่สีก็คืออริยะการตศีลถ้าเป็นอีกนัยยะหนึ่งก็คือเอเลื่อมใสยอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระรัตนะไตรล่วงภัยเวรทั้งหแทงตลอดอริยะญาณธรรมคื อ, อปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลม แต่ตรงนี้เนี่ยนะโสดาปฏิยังฆ่าธรรมอีกในหนึ่งว่าอริยสาวกผู้ประกอบด้วยองค์ทั้งเจ็ประการนี้ย่อมเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยโสดาปฏิพันธเป็นพระโสดาบันอย่างแ น, น่นอนแล้ก็มาเช็คดูนะข้อแรกก่อนอกุศลกลุ่มรุมไหมถ้าอากุศลไม่กลุ่มรุมแล้วตั้งจิตเพื่อรู้อริยสัจไหมข้อแรกอกุศลไม่กลุ่มรุมตั้งจิตเพื่อรู้อริยสัจตั้งจิตเพื่อตรัสรู้อริยสัจอย่างเดียวอันนี้ข้อหนึ่งนะ ตัวในทางข้อ2งข้อ2ปัญญาตัวนี้ที่เรารู้เราเห็นเนี่ยเจริญแล้วน้อมไปเพื่อดับกิเลสไหมข้อ3ทิฏฐิที่เราเห็นเนี่ยมันตรงข้มันเป็นไปกับลัฐที่อื่นเนี่ยมีไหมมีอยู่ในรัฐที่อื่นไหมนอกจากในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างที่สอย่างที่4ีนี่เป็นยังไง ถ้าเป็นอาบัติแล้วรีบทําคืนเหมือนเด็กอ่อนที่เหยียดมือไปโดนไฟไหมหรือว่าต้องการแค่ไหนนะต้องการให้มันเน่าเฟะไว้ก่อนเนี่ยนะไม่อย่างที่ห้าขวนขวายทําอะไรอยู่ใส่ใจในสิกขาไหมเหมือนแม่โคและเล็มหญ้าไปก็ไม่ไม่ลืมลูกไม่แม่โคลูกอ่อนเนี่ยนะแม่โคลูกอ่อนถึงจะเคี้ยวหญ้าไปก็ไม่ลืมลูกเนี่ยนะหรือเหมือนกับ หมายนี้ก็ไม่รัฐ อ, อุปมาบอกกินไปดูไปเนี่ยนะดูทีวีแล้วก็กินไปดูไปฟังอะไรเป็นต้นเนี่ยกินไปดูไปได้อะถึงทําอย่างอื่นก็คิดถึงคําสอนได้เสมอเนี่ยนะบางทีก็บอกเขาคิดถึงบ่อยบ่อยชั่วโมงละครั้งเนี่ยนะโอยเนี่ยบ่อยชั่วโมงตั้งตั้งชั่วโมงครั้งหนึ่งนะเรื่องบ่อยอก็คิดถึงเท่าไหร่ปะตรงเนี้ยเคยทําอะไรแล้วผวางบางเรื่องไหมทําด้วยความผวงางได้ทํำยังไง ถ้าทําอะไรพรวงในเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันก็หมดความสนุกสิเออแล้วหมดความเพลิดเพลินในวัฏฏะไม่ดีเหรอมันก็ดีอยู่แล้วแต่พอดีมันอยากเพลินในวัฏฏะเพราะฉะนั้นถ้ามามัวแต่คิดเรื่องศีลเป็นต้นแหมทํางานไม่สนุกเหมือนกันนะนะถ้าทํางานสนุกก็ลืมศีลที่นําออกจากวัตฏะเป็นต้นก็เลือกเอาอนะว่าทําควบคู่กันไปจะทําด้วยความเพลิดเพลินในงานหรือว่าเพลิดเพลินในสิก ข, ขานะก็เลือกเอา มันข้อที่ห้านั้นเป็นผู้ที่เพ่งเล็งในอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาสิกขาแม้แต่ทำงานก็ไม่เผลออย่างที่หเมื่อมีผู้ใดแสดงธรรมเงี้ยโสดลงฟังประมวลจิต ด, ด้วยจิตฟังเพื่อความรู้ยิ่งจริงๆนเรียกว่าฟังเพื่อต้องการรับรู้ฟังแบบชนิดเรียกว่าเกาะติดจนไม่ปล่อยเลยเนี่ยนะแล้วก็ที่เจ็ด ฟังแล้วก็ได้รู้อัดรู้ธรรมแล้วก็มีความปราโมทในกุศลธรรมตลอดเนี่ยนะก็ไป้ว่าฟังก็ไม่ใช่ฟังแบบแห้งแรงเนี่ยนะไม่ใช่แต่ว่าฟังด้วยปีติและปราโมทมันผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรม7ประการเรียกว่าผู้เพียบพร้อมด้วยโสดาปฏิพันธเนี่ยนะเขาบอกว่าทั้ง7นี้ในหน้า440ท่านบอกว่าเป็นปัจจเวกขณะยานคิดว่ายานทั้ง7ปันยานเครื่องพิจารณาหรือปัจจเวกขณะยานทีเดียว โลกุตระมักเนี่ยนะมีจิตขณะเดียวเท่านั้นแต่ว่าผู้ที่เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาพิจารณาเนี่ยนะเป็น พ, พิจารณาทบทวนทบทวนในเรื่องความเห็นของตัวเองอยู่เสมอว่าตัวเองนั้นมีความคิดมีทิฏฐิอย่างไรเนี่ยนะพระสูตรนี้เริ่มต้นด้วยอะไร พูดเบื้องแรกเลยกล่าวถึงการทะเลาะวิวาสใช่ไหมทะเลาะวิวาทแข่งแย่งชิงดีเสร็จแล้วพระองค์ก็ระ ง, งับการทะเลาะวิวาท ด, ด้วยแสดงสารานิยธรรม6ประการทําเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงกันคือเมตตากายกรรมเมตสองเมตตาวจีกรรม3เมตตามโนกรรม4 ส, สาธารณโภคี5ทิฏฐิสามัญญตาหกก็ขอไปห้าสี่ละสามัญญตา6ทิฏฐิสามมัญญตา ทิฐิสามัญญาตานั้นสําคัญที่สุดในสารานิยธรรมเพราะทิฐิสามัญญ า, าอา น, นี้หมายถึงโสดาปิมัคคสัมมาทิฐิเป็นทิฐิที่เห็นอริยสัจเนี่ยนะเป็นความเห็นเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาของผู้ที่บรรลุมรรคผลเบื้องต้นที่บรรลุมรรคผลคือโสดาปิมัคคสัมมาทิฐิผู้ที่เป็นพระโสดาบาันแล้วเนี่ยจะมีปัจจเหตขณะยานยานเครื่องพิจารณาอีก เจ็ดข้อเจ็ดข้อก็คืออกุศลไม่กลุ่มรุมอยู่ในใจตั้งจิตเพื่อรู้อริยสัจสองปัญญาตัวนี้เจริญแล้วดับกิเลสได้จริงสามทิฏฐินี้มีในพระพุทธศาสนาเท่านั้นสี่อ่นะเป็นผู้ที่มีอะไรนะ เ, เป็นอาบัติแล้วก็น้อมไปรีดทำคืนเนี่ยรีบเปิดเผยตนตามความเป็นจริงเหมือนเด็กเหยียดมือไปโดนไฟห้า แห่งแรงในสิกขาสามเรียกว่าทําอะไรก็ไม่ลืมสิกขาสามหกเงี่ยโสตฝังธรรมเจ็ดฟั ง, ง, งแล้วก็รู้อาจรู้ทำแล้วก็มีปราปปีติปราโมทใน ก, ม น, นกุศลธรรมเนี่ยนะท่านก็เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงสูตรนี้จบลงพระพิสูจน์ทั้งหลายก็เชื่นชมอนุมโมทนาในาพระสูตรพระธรรมทั้งหมดนี้เนี่ยนะแต่ว่าเลิกทะเลาะ ก, กันไหมไม่พระองค์ก็แสดงคือคือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยนะ ก็น้อมไปเอาเอาเน้นเอาผู้ที่มีบุญเป็นหลักนะส่วนผู้ที่ยังทะเลาะกันก็ให้ทะเลาะกันต่อไปแล้วกันอย่างนั้นเถอะแต่เก่งพวกในในในพระสูตรจริงก็ยังไม่เลิกทะเลาะกันก็ยังทะเลาะกันต่อไปแต่ในที่สุดพระพิสูจน์ที่ทะเลาะกันทั้ง500ร้อเหล่านั้นก็บรรลุนะฝ่ายละ500้ยนะบรรลุหมดเลยไม่เหลือขนาดว่าผู้ที่มีเครียกว่าชาติสุดท้ายจะบรรลุแล้วเนี่ยนะขนาดนั้นเวลากิเลสมันเล่นงานเข้ามาน้ําขันเดียวก็ทะเลาะกันนะนะ รองเท้าข้างเดียวกับทะเลาะกันเหมือนต้นมันเรียว่าเลยเป็นอย่างนี้แหละวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ระฉันบุญกุศลที่เราได้ฟังนะนะพระธรรมคำสอนก็ขอบุญกุศลคุณงามความดีเหล่าใดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แสดงประกาศเพื่อความพ้นทุกเนี่ยนะขอให้เรามีส่วนในการเจริญข้อปฏิบัติเพื่อให้ได้ตรัสรู้ตาม